d h a m m a sham, g a c h a วันนี้เป็นวันที่9เมษายนพุทธศักราช2554หซึ่งเราท่านก็คงทราบกันดีว่าก็จะมีการเลือกตั้งในชั้นคำสอนนะคะท่านได้มีพูดถึงคุณสมบัติของการที่เราจะเลือกใครเป็นผู้นำได้ไหมเจ้าคะ่ะในชั้นของคำสอนเนี่ ย, ยผู้ปกครองบ้านเมืองพระพุทธเจ้าสอนไว้เนะ ในหลักของทศพิธราชธรรมในชั้นคำสอนที่เป็นคุณธรรมของชั้นนักปกครองบางแห่งนั้นเรียกว่าราชธรรมธรรมของพระราชาศรริประการหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือธรรมของนักปกครองรัฐจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหรือพระมหากษัตริย์ตลอดจนถึงนักปกครองทั่วไป ไม่ได้จำกัดเฉพาะพระราชามหากษัตริย์ใครเป็นนักปกครองจะเป็นระบอบไหนจะเป็นระบอบประชาธิปไตยจะเป็นระบอบอย่างไรก็แล้วแต่คุณธรรมหลักมีไหมมีนิสสิ ป, ประการนั้นแรกก็คือคำว่าทานก็คือการแบ่งปันการช่วยเหลือประชาชนเนี่ ย, เยบเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์โดยมุ่งปกครองหรือทำงานเพื่อให้ได้ไม่ใช่เพื่อจะเอาจากเขาเนี่ย คือให้คือบริการคือสละคือเป็นการเสียสลั ก, การส่งเคาะจริงๆฉะนั้นด้านทานต้องผู้นำทั้งหลายต้องเข้าใจคำว่าเจดนาทานต้องเข้าใจคำว่าอะโล้าทานคือไม่ใช่เอาแต่เป็นการให้เพื่อสละจริงๆแล้วต้องเข้าใจคำว่าวัตถุทานวัตถุทานก็คือเมื่อเป็นผู้นำแล้วข้อแรกนี่สคัญมากต้องให้ต้องสละต้องส่งเคาะ และต้องไม่โลภและต้องไม่หวังต้องกล้าที่จะสละจริงๆถ้าใครอาจหา์จะขึ้นมาเป็นนับปกครองทุกระดับจิตใจกล้าสละต้องทำให้ไม่ใช่มาทำเอาไม่ใช่มาเอาหน้าเอาตาหรือเอาเกียรติยศชื่อเสียงไม่ใช่เลยเป้าหมายคือการสละคือการให้คือการสงเคราะห์การประพฤติประโยชน์การอ่อนน้อมตม่อตนก็ว่า แต่ที่สุดจริงๆก็คือการสงเคราะห์การให้ข้อนี้สาคัญมากเลยต้องเข้าใจทานต้องเข้าใจวัตถุอเจตนาทานต้องเข้าใจคำว่าอาโลพะทานคือสภาพจิตที่ไม่โลภไม่ยึดติดต้องเข้าใจคำว่าวัตถุทานแล้วก็เข้าใจคาว่าอภัยทานด้วยอภัยทานก็คือการป้องกันใช่ไหมไม่คือว่า สามารถป้องกันภัยพยัน์อันตรายต่างๆให้กับประชาชนได้มีวิสัยทัศน์ในการที่จะป้องกันสร้างเขตดปัจจัยในการที่จะป้องกันพยันอันตรายต่างๆที่จะมาทําให้ประชาชนนั้นเกิดความเดือดร้อนด้วยและผู้นําทั้งหลายต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคําว่าธรรมทานคือการให้ความรู้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่ใช่บิดเบือนนสรุปคือจิตที่อาสาจิตที่สละเนี่ยต้องชัดเจนมาก อันนี้ก็ต้องในรายละเอียดค่อนข้างเยอะอาการต่อมาก็คือว่าเป็นผู้มีศีลถ้าเราต้องการบอกว่าอยากจะรู้ว่าผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยถ้าทุศีลแล้วไม่ควรเลือกเลยต้องมีศีลศีลหต้องมีต้องไม่ฆ่าสัตว์ต้องไม่รักทรัพย์ต้องไม่ประพฤติผิดในกรรมต้องไม่พูดเท็จต้องไม่พูดส่อเสียดต้องไม่พูดคำหยาบต้องไม่พูดเพ้อเจ้อ นั้ผู้นำทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยคนคนไม่มีศีลก็คือคนไว้ใจไม่ได้ส่งเสริมขึ้นไปก็เสียหายเลยถ้าถามว่าถ้าถามบอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนเป็นคนผิดศีลข้อที่หนึ่งจะคะจะเลือกเข้าไหมข้าพเจ้าเป็นคนรักช่อลาดบังหลวง ลักขโมยช่อกงมีวิธีการแยบยนต์ในการที่จะคดโกงด้วยแล้วก็พักพวกของข้าราชาทั้งหลายก็เป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาถ้าอย่างนี้พังเลยประชาชนถ้าติบตันทางด้านมองคนไม่ออกว่ามีศีลหรือไม่มีศีลประชาชนนั่นแหละเป็นผู้ทำให้ประเทศพังไม่ใช่นักการเมืองอย่าโทษนักการเมืองจงโทษผู้เลือก จงโทษผู้เลือกเขาเมื่อเราเลือกเขาไปแล้วเนี่ยไปบ่นไม่ได้เพราะเราต่างหากไม่มีมุมมองไม่มีวิธีคิดไม่แยกแยะก็เราเลือกโจรขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมสมมุติอย่างนี้นะแต่อาจจะมีจริงหรือไม่อามาไม่ทราบเลยดงั้นถ้าจะเลือกต้องเลือกคนดีขึ้นไปจริงๆเพราะผู้นำต้องมีศีลพระเจ้าตรัสไว้ ถ้าผู้นําไม่มีศีลนะ่าพังบ้านเมืองจะพังพังทุกระดับด้วยแค่ไม่มีศีลเหล่านี้ก็น่ากลัวแล้วตองเลือกไปดูสิเรียบร้อยอาการต่อมาปริจารคะบําเพ็ญด้วยการเสียสละสามารถเสียสละความสุขความสําราญเป็นต้นจนถึงเสียสละขนาดหนักขนาดไหนถูกไหมเสียสละชีวิตได้ ผู้นำเนี่ยนยืผู้นำต้องกล้าต้องกล้ากว่าคนทั่วไปคำว่ากล้าเลยกล้าปกป้องชีวิตและทรัพย์สินประชาชนด้วยชีวิตตันเองได้ดูไหมถ้าผู้นำจริงๆก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ผู้นำไปหดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไปเย่ะเย่อให้คนอื่นออกหน้าตนเองเดินตามหลังนี่นก็ไม่เรียกผู้นำหรอกไม่ได้คนที่ขาดผู้นำต้องออกหน้าต้องรับผิดชอบ เข้าใจไหมหลักที่พระริยาบอกว่าผู้นําเป็นแบบนี้คือผู้นําใช่ไหมสมัยก่อนให้สังเกตดูทีผู้นําทัพเงี้ยแม่ทับอย่างเงี้ยเขาออกหน้านี่ก็เหมือนกันผู้นําทั้งหลายดูพระโพธิสัตวนะ์น่ยตอนที่เกิดพยานอันตรายขึ้นมาไหมตอนเด่นเป็นพยาวานนนอพระโพธิสัตว์ไม่ได้หนีเอาตัวรอดแต่พระโพธิสัตว์นั้นอนะ่ะกระโดด ข้ามไปไปเอาเชือกเทวันมัดเอวแล้วก็กระโดดกลับมาแล้วก็เกาะต้นมะม่วงแล้วก็ให้ลูกน้องห้าร0อยหกร้อยเนี่ยกระโดดข้ามหัวตนเองเหยียบเกาะเชือกรีบหนีไปนั่นะผู้นำต้องอย่างนี้นั้นผู้นำต้องเสียสลักแม้ชีวิตต้องกล้าเสียแต่ถ้าผู้นำคนใดขี้ขาดก็อย่าไปเลือกเข้าใจไหมผู้นาต้องกล้าต้องกล้าหานต้องถามเขา เราเป็นประชาชนก็ตั้งแบบสอบถามสิคุณจะเป็นผู้นําเราเนี่ยถ้าเกิดพยานอันตรายขึ้นมาเนี่ยคุณจะหนีเอาตัวรอดหรือคุณจะสู้กับพวกเราว่าไงจะบอกว่าไม่แล้วเดินพวกคุณสู้ไปเถอะเราเตรียมที่หนีไว้แล้วอันนี้ไม่ใช่ผู้นำอันนี้เอาคนขี้ขาดนั่นเองผู้นําต้องไม่ขาดหนักไหมเนี่ยพวกอย่างนี้หนักไหม นี่ยังไม่หมดนะเนี่ยไม่ไม่หนักเลยค่ะแล้วยังอยากให้ผู้นําได้ฟังด้วยนะคะ <c oughs> แล้วยังขอถามต่อท้ายไว้ด้วยอะค่ะไปต่อท้ายเลยนะคะว่าแล้วกรรมที่เขาได้ทําไว้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรด้วยเท่าไหทีนี้คําว่ามัทธวะอีกข้อหนึ่งก็คือความอ่อนโยนเข้าถึงคนมีอัตยาศัยไม่เยื่อยิงไม่อยากคายไม่กระด้างไม่ถือตัวเนี่ยนะมีความสง่างาม ทั้งกริยามัน ญ, ญาตาทั้งหลายเหล่านี้มีความรักนี่มีความรารักตรงนี้ก็คือว่ามัทธวาคือ อ, อ่อนอ่อนโยนไม่ใช่อ่อนเองเป็นคนที่อ่อนโยนก็หมายความว่ากริยามัน ญ, ญาาอ่อนโยนนะอ่อนโยนไม่ไม่ก้าวแล้วไม่ก้าวแล้วเข้ากับคนได้นี่นะประการต่อมาก็คือว่าตบะนี่โอ้โหนี่สาคัญมาก ต บ, บะตัวนี้ก็คือหมายความว่าเป็นคนที่มีความอดทนตะ บ, บะเหล่านี้กหมายความว่าสามารถที่จะขจัดอจิตที่ไม่ดีตันเองได้ไม่ใช่เป็นคนที่ลุกแก่อำนาจเพราะคนไปเป็นผู้นำหรือมีอำนาจทั้งหลายต้องระวังมากเพราะมันสามารถให้คุณคนได้แล้วให้โทษคนได้ถ้ากิเลสในใจมันพกพานมากมันจะให้โทษคนอื่นเยอะมาก คำว่าตะบะนี่ก็คือเป็นธรรมเครื่องคอยกั้นกิเลสเคอยเผากิเลสได้ตะบะเนี่ยสำคัญมากๆเลยผู้นำนั้นต้องต้องเมตตาต้องเมตตาเขาและไม่ใช่เมตตาแค่ปากนะการกระทาต่างๆหรือลูกน้องตนเองเน่นะคนอยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายที่จะลุกขึ้นมากระทาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนั้นนะ ต้องปรามต้องห้ามทันทีต้องมีความอดทนต้องต้องตะบะตรงนั้นก็คือไม่หลงไม่หมกมุ่นในความสุขสำราญและก็การปลนเปลือนะอย่าให้อีกพวกกิเลสทั้งหลายนะครอบงําจิตใจกลายเป็นบ้าไปอย่างนี้เลยหลงฟุ้งเฟ้อทั้งหลายอนะไรนี้มีความเป็นอยู่สม่าําเสมออย่างนี่เรียบง่ายสามัญมุ่งแต่จะบําเพ็ญเพียรทํากิจในหน้าที่ให้บริบูรณ์ลักษณะผู้นําเป็นอย่างนี้ ประการต่อมาก็คือว่าอักโกธะนี่คือก็คือไม่โกรธไม่เกลี้ยกราดไม่วินิฉัยความใดๆด้วยอำนาจของความโกรธและด้วยความลาเอียงด้วยความสําคัญมากนะถ้าไปวินิฉัยอะไรขึ้นมายกตัวอย่างเช่นว่าบรรดาผู้นําทั้งหลายมันจะมีกลุ่มค่ายแต่ละค่ายไม่่อยถูกกันอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ตัวตัวนี้สําคัญมากอักโกธะเนี่ยคือความไม่โกรธเนี่ย เป็นธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายไม่โหดร้ายทั้งการกระทำและความคิดและความคิดนั้นกรณีอย่างนี้ก็คือมีเมตตาประจำใจระงับความขุ่นเคืองได้ทำจิตของตนเองให้ราบเรียบได้เหมือนพระจานทร์วันเพ็ญพระจันทร์วันเพ็ญเนี่ยจะใครอยู่ใกล้ก็กเยือกเย็นก็มีความสุขไม่ใช่เป็นคนขี้โกรธ ถูกกระทุ้งนิดกระทุ้งหน่อยก็โอ้โหไม่ไหวพวกผ้าเลยเนี่นะเข้าเนีเข้าไม่ใช่พกผ้านอย่างเดียว ต, ตามอาคาต ด, ด้วยนี่ยอย่างนี้ก็ลําบากเลยผู้นําอย่างนี้เสียเลยประการต่อมาก็คือว่าอาวิหิงสามีอวิหิงสาก็คือร่มเย็นก็คือไม่หลงระเริงกับอํานาจไม่บีบคั้นกดขี่ก็แปลมีความกรุณามีความกรุณาไม่ใช่ว่า พอคู่ต่อสู้เพียงพร้อมโอ้โหตอนนี้เล่นเลยเล่นเลยออันนี้ก็ห้ำหันกันขาดการุณาในใจฉะนั้นผู้นำต้องมีกรุณาในใจค่อนข้างเยอะไม่เบียดเบียนนะไม่ลงโทษไม่อัจฉริยะแกประชาชนหรือผู้ผู้ใดนด้วยความอาฆาตมาตรร้ายหรือเกียรติชังประการต่อมาที่ชัดเจนที่สุดคือขันติ คันตินี่ก็แปลว่าชำนาหรือว่าก็คือว่าการขันติตัวนี้ก็แปลว่าการยอมรับได้ด้วยปัญญาคันตินี่นการยอมรับได้ด้วยปัญญาการยอมรับได้ด้วยปัญญาก็หมายความว่าตัวสภาพของคันติเนี่ยเป็นธรรมะที่อยู่ลึกโทสะไม่สามารถที่จะดำดิ่งเข้าถึงสภาพจิตใจที่มีคันติได้ คือสามารถยอมรับสถานการณ์แล้วก็มีปัญญาในการที่จะแก้ไขได้เพราะขันติ เ, นเป็นภูมิของคุณธรรมทั้งหมดเลยคุณธรรมทั้งหลายจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าคนไม่มีขันติฉะนั้นสภาพของขันตินี่แหละถึงแม้จะลำบากถึงแม้จะประสบปัญหาถึงแม้จะเจอภ า, าวะความยุ่งยากอย่างไรก็มีขันติในการที่จะอดทนเลยนะี คำว่าอดทนในที่นั้นคือยอมรับสถานการณ์ได้ด้วยปัญญาแล้วก็แก้ไขได้ให้สังเกตุดูนะว่าผู้นำเนี่ยจะต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีเนี่ยดีมองเห็นปัญหารู้ว่าปัญหามันจะเกิดก็รีบตัดไปต้ตงลงนลมแก้ไขปัญหาได้ทันสถานการณ์ไม่ใช่ปล่อยให้เหตุการณ์ลุกลามจนแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วกเกิดภาวะการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงอันนั้นไม่ใช่เขาเรียกไม่มีขันติเพราะมมีปัญญา น, นั่นเอง เพราะขันติจะต้องเป็นภูมิเป็นที่อยู่ของปัญญาด้วยเพราะการยอมรับได้โดยปัญญาไม่ใช่ขันตินิ่งเฉยใคระว่าไงก็ช่างไม่สนใจไม่ใส่ใจนะไม่เรียกขันติก็เรียกโมหะคนไม่ดูดายเนี่ยนะเพราะสภาพของขันตินั้นคือเป็นสภาพที่ถ้ามองอย่างนี้นะว่าปัญหาทั้งหลายเหล่าเนี้ยนะที่มันเกิดขึ้นมาเนะี่ยมันเป็นเวทีทดสอบความสามารถแท้ๆใช่ไหมมันแก้ไขได้นีแก้ไขได้ การต่อมาคืออาวิโรธนะมีการปฏิบัติมีความมีการปฏิบัตินะมีความปฏิบัติหมายความประพฤติไม่ผิดนะไม่ผิดจากการจากาศาสนธรรมจากคําสอนถือประโยชน์สุขและความดีงามของราฐของราษสรทั้งหลายนี่เป็นส่วนใหญ่ น, นีข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากเลยสรุปตรงนี้นะในชั้นของคําสอนเนี่ยโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติที่ มิได้ปฏิบัติที่คาดเคลื่อนจากคำสอนเป็นไปกับปัญญาด้วยนี่ยก็คือตรวจสอบตนเองตลอดว่าตนเองปฏิบัติใดๆมันมีความคาดเคลื่อนหรือไม่นั้นผู้นำทั้งหลายต้องมีปัญญาเวลาแก้ไขปัญหาต่างๆหเหล่านี้ถ้าพูดถึงตรงนี้อยากจะแนะนำเนเวลามันจะใช้เวลาเยอะถ้าพูดเนี่ยผู้นำทั้งหลายต้องอ่านกูตะทันตสูตรกูตะทันตสูตรเป็นพระสูตรที่ พระเจ้ามหาพระเจ้าวิชิตราชมหาวิชิตราชท่านมีนโยบายการปกครองประเทศซึ่งมีปโปรหิตรเป็นผู้ฉลาดในการให้คำแนะนำว่าท่านแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อภาวะความแตแกแยกเกิดขึ้นหรือเมื่อมือปัญหาเกิดขึ้นนะไปดูถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจให้มาสนทนากับพระที่ท่านมีความเชี่ยวชาญนะ หรือใครที่มีความเชี่ยวชาญในสูตรนี้ท่านจะชี้มุมให้ดูว่าปัญหาการแก้ไขว่าประเทศชายแดนก็ดีหรือประเทศชายแดนก็กาลังเกิดปัญหาความวุ่นวายซึ่งมันเป็นเหมือนประเทศไทยตอนนี้นั้นผู้นำต้องอ่านสูตรนี้สักสักสิบรอบยี่สิบรอบหา ม, มุมแล้วก็เอาไปทาตามนะั้น แล้วจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้จริงๆเลยอันนี้อันนี้แนะนําเพราะถ้าในรายละเอียดเนี่ยถ้านั่งสนทนากันมันก็ต้องเอาตัวตัวคนที่ที่มีอํานาจจริงๆนั่งคุยใช่ไหมถ้าคุยอย่างนี้ก็ไม่ได้ฟังกันที่สุดจริงๆก็ให้ไปอ่านเองถ้าอ่านเองไม่เข้าใจก็แอบถามผ่านผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายในประเทศไทยมีเยอะก็สอบถามว่าเออจะแก้ไขอ ย, อย่างไร ในพระสูตรเนี้่ยพระเจ้าวิชิตราชนั้นวางหลักการปกครองประเทศอย่างไรเมื่อวางหลักปกครองประเทศแล้วเนี่ยท่านท่านไม่ท่านมองมุมไม่ชัดท่านปรึกษาปุโรหิตปุโรหิตเป็นบัณฑิตเป็นอดีตของพระพุิธัาสนท่านก็วางแผ่ได้เลยว่าตอนนี้ยังทําตรงนี้ไม่ได้นะเออยังความไม่สงบเกิดขึ้นในบ้านเมืองจะทํำยังไงมีโจรผู้ร้ายจะทํำยังไงประเทศชายแดนเกิดจกราจลขึ้นมาทํำยังไงพระองค์ก็ พลโหรหินก็แนะนําวิธีการแก้ไขทุกมุมเลยแก้ไขจุดนี้ก่อนจุดนี้ก่อนจุดนี้ก่อนแล้วก็ทําอย่างไรประชาชนขาดอะไรเราจะให้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ไปดูนโยบายการปกครองประเทศฉะนั้นคําสอนทั้งหลายอยู่ในวัตรีพิฎกอยู่ในทีคณิกายสิลาาะกันธวัฒน์นก็ขอโมทนานัก็โยมโจ้แล้วก็คณะนะเอาที่ ส, ส่วนกุศลกันหน่อยและตั้งใจนะ บุญกุศลที่ทำไปจากการให้ทานรักษาศีลการฟังพระสัตธรรมการแสดงธรรมก็คอยตั้งใจในการอุที่ส่วนกุศลให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยเนะสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานบัดนี้จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําและแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้วและแห่งบุญอื่นที่ได้ทํามาก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหาใด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 อยู่เป็นสุขทุกเมืออ่อจนถึงพระนิพพานาความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจ ง, งสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุบุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการแสดงธรรมการฟังธรรมจากการให้ทานรักษาศีลการปฏรฤฤิบัติ ตลอดถึงด to <th> ้วยอํานาจของคุณพระศรีร er <th> ัตนาตรัยคือพุทธรัตนธรรมรัตนสังขรัตนจงเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะมีโยมโจเป็นต้นเหล่านี้นะที่ได้มาทําบุญในวันเกิดจงเป็นผู้ที่สามารถผ่านพ้นอุภยากอุปสรรคพญันตรายต่างๆเจริญงอกงามในทานศีลภาวนาพัฒนาทานศีลภาวนาให้เกิดติดต่อเนื่องเป็นไปตามลําดับอย่างแข็งแกร่งอย่างแรงกล้า จนเป็นปัจจัยจากการออกจากอากุศลธรรมอลา ม, ามกเป็นต้นได้ในที่สุดจริงๆสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาผ่านลําดับของสมาธิทุกระดับตั้งแต่คณิการสมาธิอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิสามารถประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณทุกระดับจนสามารถเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดในมรรคผลและได้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุ อนุปาทาปรินิพานคือการดับกิเลสและการพ้นจากวัตถุทุกได้โดยไม่มีส่วนเหลือด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอ